ตอนนี้เราจะลังทำเหตุแห่งปัญญาให้เกิดนะคือมารู้ตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายมีอะไรเกิดขึ้นกับใจตอนที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยเรียกเป็นศัพท์ว่ามีสติมีสติครั้งหนึง่งแล้วกิเลส ด, ดับในขณะที่มีสติแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดับแล้วดับเลยถ้าเราดูเขาใหม่เหมือนนเดชมาเนี่ยมีราคะกับนเดช แล้วรู้ตัวว่ามีราคะเกิดขึ้นขณะที่รู้ตัวนั้นราคะดับแต่ถ้ามองนาเดชใหม่ราคะเกิดอีกขอลายเซ็นนาเดชนเดชเล่นตัวโกรธนาเดชรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นความโกรธ ด, ดับคิดถึงที่นาเดชปัดเราบอกปัดเราโกรธใหม่ความโกรธไม่ใช่อยู่ๆจะเกิดราคะก็ไม่ใช่อยู่ๆจะเกิด เกิดตามหลังความคิดเกิดตามหลังที่เราโอ้น้าเดชหลอน้าเดชพระเอกมาแล้วจะมีความคิดเกิดขึ้นแล้วเราก็มีราคาเกิดขึ้นตามหลังความคิดนั้นขอลายเซนน้เดชนะเดชบอกปัดโอ้ไม่ให้เกียรติเราแล้วก็โกรธความโกรธไม่ที่จะอยู่จะเกิดความโกรธก็มาตามหลังความคิดคิดใหม่โกรธใหม่ เขาด่าเราเมื่อวานวันนี้มาคิดใหม่โกรธอีกแล้วเขายิ้มให้เราเมื่อวานนี้เกิดราคะไปแล้วนึกถึงใหม่เกิดราคะ ใ, ห ม, ใหม่ราคะโทสะไม่ใช่อยู่อยู่จะเกิดเกิดตามหลังความคิดเราคิดซ้ำก็สร้างเหตุซ้ำมองซ้ำก็สร้างเหตุซ้ำเราดูทีแรกเนี่ยเราดูเห็นเฉพาะตัวกิเลสเห็นกิเลสแล้วเนี่ยนะต่อมาเราจะเห็นว่าเหตุที่กิเลสมันเกิด ขึ้นมาเนี่ยเกิดเพราะอะไรยินดีต้อนรับจริงๆก็เป็นเจ้าของสถานที่หรือเปล่าต้องบอกว่าขออนุญาตคำว่ายินดีต้อนรับต้องเขาพูดใช่ไหมอย่างเนี้ยจิต ท, ทำงานระหว่างที่กำลังฟังอยู่เ น, นี่ยนแล้วมีคนเดินเข้ามาใจไม่ได้คิดเลยว่า ไม่ได้คิดอยากจะออกจากการสนใจตัวนี้เลยแต่ว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างๆใจเราก็เคลื่อนไปสนใจอย่างนี้เรียกว่าจิตมันเคลื่อนออกไปที่มันเคลื่อนไปเนี่ยมันไปเองทํางานกับมันเองขณะที่เราสนใจอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วมีสิ่งสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยนะแล้วใจไปสนใจกับสิ่งที่เคลื่อนไหวข้างๆนั้นเนี่ยเรียกว่าจิตมันไหลออกมาจิตมันเคลื่อนออกมาจากสิ่งที่เราสนใจอยู่ ถ้าเรารู้ตรงนี้ได้นะเราจะได้อีกตัวหนึ่งเห็นจิตมันเคลื่อนจะได้จิตที่ไม่เคลื่อนงงไหมตอนนี้ให้งงไปก่อนนะเห็นจิตที่หลงจะได้ความไม่หลงเห็นจิตที่ขาดสติจะได้ความมีสติงงไหมไม่งงนะค่อยๆเรียนงี้นะตอนที่เรามีราคะเนี่ยจิตขาดสติ รู้ทันความรู้ทันว่ามีราคะเกิดขึ้นในใจขณะนั้นจะเกิดสติ<ม>เรียนสิ่งที่ผิด